วันนี้เริ่มเข้ามาเท่าไหร่นะทำอะไรอย่าทางทางเฟซบุ๊กเข้ามา161ค่ะาทาง YouTube เข้ามา31ค่ะเหมือนรถเมย์เดี๋ยวพอเริ่มขับเดี๋ยวก็คู่สาสารก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาทีละคนสองคนเดี๋ยวก็ เต็มรดสี่ร้อยกว่ า, าผู้โดยสารแล้วก็เสีก็จะเป็นขาประจำนะธรรมะก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้สอน ให้พวกเราที่ไม่รู้จักควบคุมใจให้รู้จักควบคุมใจเหมือนกับรถยนต์ก่อนที่เราจะขับรถยนต์นีเราต้องหัดขับรถยนต์ก่อนถ้าขับไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะพารถยนต์ให้วิ่งไปได้อย่างปลอดภัยให้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป จิตใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นั่นคือจุดหมายปลายทางของจิตใจแต่ตอนนี้จิตใจไม่มีใครควบคุมปล่อยให้มันวิ่งเอง มันก็เลยวิ่งวนอยู่ตัในวงเวียนเหมือนรถที่ไม่มีคนขับนะรถที่ไม่มีคนขับมันก็วิ่งไปสเปะสปะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้จิตใจที่ไม่มีธรรมะก็จะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้ เราต้องการความสุขต้องไม่ต้องการความทุกข์กันแต่ตอนนี้เราไม่สามารถควบคุมใจให้วิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้ใจมันชอบวิ่งออกนอกลู่นอกทางชอบตกหลุมตกบอ่อตกเหว แหกโคง้งพอจะโค้งก็ไม่หักเข้าเพราะไม่ยอมอผ่อนคลางไม่ยอมเหยียบเบรคมันก็เลยแหกโคง้งเวลาที่เราไม่สบายใจนะแสดงว่าจิตเราแหกโคงนะ้งเวลาที่เราเสียใจใเวลาที่เราวุ่นวายใจใเวลาที่เราเดือดร้อนใจ แสดงว่าเวลานั้นมันไม่ได้อยู่บนถนนมันออกนอกถนนไปลงคู่ข้างคูบ้างคู่ข้างถนนบ้างบางทีก็ตกเหวบ้างบางทีก็ไปชนกับรถคันอื่นบ้างนี่คือลักษณะของจิตที่ไม่มีธรรมะ เหมือนกับรถที่มีไม่มีคนขับนะหรือถ้ามีคนขับก็เป็นคนเมาคนเมาเมาแล้วขับเป็นยังไงเมาแล้วขับก็มีแต่อุบัติเหตุเพราะว่าขับรถนี่ไม่มีสติก็ไม่ได้ไม่มีสติ ก, ก็ ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้วิ่งอยู่บนท้องถนนได้ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยมันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ของคนขับจิตใจของพวกเราตอนนี้ไม่มีธรรมะเราก็เลย เจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่ว่าจะทาอะไรก็มักจะไปเจอเรื่องวุ่นวายใจไม่ทำอะไรก็เจอเรื่องวุ่นวายใจให้อยู่เฉยๆก็วุ่นวายใจให้ไปทำเรื่องนั้นเ่อนี้เดี๋ยวก็วุ่นวายใจ นี่คือลักษณะของใจที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองเพราะไม่มีธรรมะธรรมะคือคําสอนของผู้รู้ผู้รู้จักควบคุมใจพระพุทธเจ้าท่าน ท, านทรงหัดค้นหัดควบคุมใจจนท่านสามารถขับใจให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ใจต้องการจะไปได้ดไปที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์จุดนั้นพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่านิพพานนิพพานเป็นจุดที่จิตมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเข้ามาลบกวนใจ ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความว้าเวไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวาดกลัวนี่คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้ใจของพวกเราทุกคนนี่ ไปสู่จุดนั้นได้ถ้าเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคําสอนนั้นเราก็จะไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าไปถึงได้ผู้ที่ได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็สามารถไปถึงจุด หมายปายทางที่พระพุทธเจ้าไปถึงได้ท่านก็เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาก่อนที่ท่านได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังไม่รู้จักควบคุมใจให้ใจไปสู่จุดที่มีแต่ความสุขจุดที่มีไม่มีความทุกข์ แต่พอท่านได้ศึกษาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติท่านก็สามารถไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าไปถึงได้ท่านก็เลยเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาคำว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่ไปถึงพระนิพพานเรียกว่าพระอาหารหันต พระอรหันต์ก็มีสองแบบพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ตะสาวกพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไปถึงพระนิพพานด้วยตนเองเป็นผู้หาทางไปเองผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาทางไปที่นี้ไปที่พระนิพพานไปด้วยตนเองไม่มีใครบอกทาง เรียกว่าพระอาลามตะสามมาสามพุทธเจ้านอกจากไปถึงแล้วยังมาสั่งสอนผู้อื่นด้วยไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อถ้าไม่ได้ทำอะไรต่อคือไปถึงพระนิพพานแล้วแต่ไม่มาบอกคนอื่นไม่มาสอนคนอื่นเราก็เรียกว่าพระปเจกพุทธเจ้าก็ไปถึงพระนิพพาน แต่พอไปถึงแล้วไม่มาสอนไม่มาบอกใครไม่มีใครสามารถไปถึงพะนิิพานได้เพราะท่านไม่สอนไม่บอกใครเรียกว่าพระประเจกบพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีสองแบบพระประเจกบพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ธรมารสามพุทธเจ้า พาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ไปถึงพระนิพพานแล้วก็มาสอนมาบอกคนอื่นต่อมาบอกพวกเราเนี่ยพวกเราจึงได้รู้จักพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านมาสอนมาบอกพวกเราพอท่านสอนท่านบอกต้ามีคนศึกษามีคนปฏิบัติตามแล้วก็ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านสอนให้ไปได้ก็กลายเป็นพระอาหลันตสาวกขึ้นมาพระอาหันตัสาวกก็มาสั่งมาสอนผู้อื่นต่อเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกเราก็เลยได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระอาหลันตะสาวกัน ถ้าเป็นพระปฏิเจกับพุทธเจ้านี้ก็จะไม่มีใครรู้เลยว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วเพราะท่านไม่สอนใครท่านอาจจะเป็นบ้าก็ได้เมื่อเป็นบ้าก็ไม่สามารถสอนใครได้ก็เลยรู้เฉพาะตนเองอไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองอแต่ไม่สามารถ จะสอนคนอื่นได้พระพุทธเจ้าของพวกเราตอนต้นก็จะเป็นพระปเจกาพุทธเจ้าเหมือนกันตอนที่ท่านตัดสรู้ใหม่ๆท่านก็คิดสองจิตสองใจว่าจะไปสอนคนอื่นต่อดีไหมตอนต้นก็ท้อพระทยัยตอนต้นก็ไม่อยากจะสอน เพาท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับมนุษย์อย่างพวกเรานี่จะปฏิบัติตามกันได้เ mm hmm. พราะทรงสอนให้เราเลิกทําในสิ่งที่เราชอบทํากันนั่นเอง mm hmm. ท่านก็รู้ว่าสอนไปบางทีก็เสียเวลาเปล่าๆ เ, mm hmm. เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัข mm hmm. เคยเห็นเวลาเราเทน้ําใส่หลังสุนัขไหม มันสะบัดทิ้งหมดเลยท่านกลัวว่าจะมาเจอพวกสุนัขท่านตนต้นก็เลยไม่อยากจะสอนอนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าไม่สอนก็ได้เป็นพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าอถึงแม้จะไม่ได้เป็นบ้ายถึงแม้จะสอนได้แต่เห็นคนที่จะรับการสั่งสอนนี่เขาไม่สนใจ ตาก็ไม่สนใจไม่รู้จะไปสอนเขาได้อย่างไรสอนเขาเขาก็ไม่ฟังฟังแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติตามสอนไปาปากเปียกปากฉีกก็ไม่ได้เกิดผลอะไรก็ไม่สอนดีกว่านี่คือสาเหตุทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปเป็นพระประเจกรบพุทธเจ้าเพราะท่านอาจจะเห็นว่า ไม่มีคนที่จะสามารถรับคำสอนของท่านไปปฏิบัติได้ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีใครจะนำเอาคำสอนไปปฏิบัติได้ก็เลยไม่คิดจะสอนใครพอพระมาเท้ามหาพรหมได้ทราบเข้า ก็เลยต้องมาอาราธนาะมาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้โปรดสงเคราะห์สัตวโลกเถิดเพราะสัตว์โลกนั้นมีมีหลากหลายมนุษย์เหล่านี่มีหลายแบบหลายชนิดพวกที่สอนได้ก็มีพวกที่สอนไม่ได้ก็มีพวกที่สอนไม่ได้ก็อยากไปสอน แต่พวกที่ยังสอนได้ก็ขอให้เมตตาสอนเขาเถิดพระพุทธเจา้าก็เลยวิเคราะห์ดูก็เห็นว่าพวกที่จะรับคำสอนนี้ก็มีมีอยู่สามพวกด้วยกันแล้วพวกที่ไม่รับคำสอนก็มีอยู่พวกหนึง่งรวมกันก็เป็นสี่พวกท่านก็เปรียบพวกสี่พวกนี้เหมือนบัวสี่เหล่า บัวสีเหลาก็บัวที่เหนือน้ําแล้วพอรอรับแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นมาทันที น, นี่บัวเหล่าที่หนึ่งบัวที่สองก็คือบัวปริ่มน้ํายังไม่โผล่เหนือน้ําขึ้นมาต้องรอสักวันสองวันแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็จะบานต่อไปหลังจากที่ได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ แล้วก็บัวชนิดที่สามก็บัวกลางน้ำบัวที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาแต่จะต้องใช้เวลานานกว่าบัวเปลี่มน้ำอาจจะใช้เวลาหลายวันด้วยกันแต่ในที่สุดมันก็จะโผล่เหนือน้าขึ้นมาแล้วพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาอั น, นี่บัวสามเหล่าที่มีโอกาสที่จะบานได้ ส่วนบัเหล่าที่สี่เป็นบูที่ยังอยู่ที่โคลนที่ตมอนี่ยโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาโตเจรียงโตวัโตวนี้ยากเพราะจะถูกปูปลากัดไปเอาไปกินเป็นอาหารเสียส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่มีโอกาสที่จะอโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วบานได้นี่ก็คือ มนุษสสีจำพวกด้วยกันมีสามจำพวกที่มีความสามารถที่จะรับคําสอนและปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้ช้าเร็วเท่านั้นเองพวกที่หนึ่งนี่เป็นพวกที่อยู่เหนือน้ำแล้วพวกที่อยู่เหนือน้ำนี่คือพวกไหนก็คือพวกนักบวช พวกที่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิกันมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีฌานกันแล้วแต่ไม่มีปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมพวกนี้พอได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าได้รับคำสอนก็จิตก็บานขึ้นมาทันทีจิตก็บรรลุถึงพระนิพพานได้ทันที พวกนี้เป็นพวกที่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมพอสแสดงเสร็จก็บรรลุธรรมกันเลยบรปปรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันเพราะเขาเป็นพวกที่เป็นบัวเหนือน้ำถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีความสงบนิ่งของฌานของสมาธิที่มีกาลังที่จะสามารถ น้อมเอาแสงสว่างแห่งธรรมมาดับความมืดบอดของโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่ทำให้จิตวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอยู่กับกองทุกข์ต่างๆอันนี้เป็นบัวเหล่าแรกพวกที่บวชศีลบริสุทธิ์ นั่งสมาธิเก่งเข้าฌานได้ตลอดเวลาที่ต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้แต่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่ า, าจะทำยังไงให้จิตสงบให้จิตมีความสุขไปตลอดรู้แต่วิธีทำให้จิตสงบเฉพาะเวลาเข้าฌานเวลาออกจากฌานมาพอเกิดความอยากขึ้นมา ความสงบก็หายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันพอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอให้หยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากนี้เป็นเหตุที่ทําให้จิตทุกข์กันพอเขาเข้าใจเขาก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจพอหยุดได้ จิตเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปถึงพนันธิพาณที่มีแต่ความสุขนี่ก็คือบัวเหล่าที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องสั่งสอนแล้วเมื่อตอนต้นคิดไม่ถึงคิดว่าเป็นบัวเหล่าที่สี่กันทั้งหมดไม่ว่าเป็นพวกที่ อพวกสุนัขที่เวลาเทน้ําใส่หลังสุนัขแล้วมันก็สะบัดทิ้งหมดนก็ไม่รู้จะสอนไปทําไมสอนแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติตามสอนแล้วเขาก็ดําเนินชีวิตตามแบบเดิมของเขาหาความสุขตามแบบเดิมของเขาอยู่หาความสุขตามความอยากของเขาสอนไปก็เสียเวลาะ แต่หลังจากที่ได้แยกแยะมนุษย์ก็เห็นว่ามีพวกที่สอนได้กับพวกที่สอนไม่ได้ท่านก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่สอนได้ง่ายที่สุดก่อนคือพวกแรกพวกแรกนี้เพียงแต่สอนพูดคำสองคาเขาก็บรรลุได้แล้วแสดงธรรมครั้งแรกก็มีพระอัญญาณโกนทัญญะบรรลุเป็นพระสูดาบันขึ้นมา พอแสดงทำอีกสองสามครั้งก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าลูกเลยพอได้พระพระปัญจะวัคคีย์เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ไปสู่สำนักนักบวชต่างๆสำนักที่มีนักบวชที่มีศีลมีสมาธิพอแสดงทำให้เขาฟังเอาแสงสว่างแห่งธรรมเอาปัญญาให้กับเขาพวกที่ฟังธรรมพร้อมกันก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันเลย ทั้งสำนักเลยนี่คือช่วงแรกๆของการเผยแผ่ธรรมสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะมุ่งไปหาพวกบัวที่อยู่เหนือน้ําแล้วเพราะว่าเขารอแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ต้องไปสอนให้นั่งสมาธิไม่ต้องไปสอนให้รักษาศีลให้เหนื่อยตรงนี้เขารักษาศีลแล้วนั่งสมาธิแล้ว เขาลอเขาขาดแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาเท่านั้นเองพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ปัญญากับเขาเขาก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไปถึงพระนิพพานได้ทันทีนี่คือกลุ่มของผู้ฟังธรรมรุ่นแรกๆนี้จะเป็นนักบวชภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนนับตั้งแต่วันแรกที่ทรงแสดงธรรม คือวันเพ็ญเดือนแปไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาค้าบูชานี้เจดเดือนจากปากไปถึงเดือนสิบสองก็สเดือนจากเดือนสิบสองไปเดือนสามก็อีกสามเดือนรวมกันก็เป็นเจ็ดเดือนพอวันมาค้าบูชาก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือพระสาวกพระอาหารหันตสาวกที่พระพุทธเจ้าสอนให้บรรลุนี้ ที่แยกกันไปอยู่ตามสาราทิศ ต, ต่างๆได้มีความคิดถึงพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมีจำนวนถึงหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปคิดดูเพียงแต่สอนธรรมเพียงเจ็ดเดือนนี้ได้พระอาหานถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปสมายนี้แสดงธรรมเป็นสิบปียังไม่ได้สักรูปเลย ก็แสดงว่าคนฟังสมัยนี้กับคนสว่างฟังสมัยพระพุทธเจ้านี้คนละรุ่นคนละระดับเลยคนฟังระดับนี้มันระดับที่สามนะพวกที่อยู่กลางน้ำํำพวกที่ระดับที่สองก็คือพวกที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นนักบวชแต่ไม่มีสมาธิยังฝึก ยังนั่งสมาธิไม่เป็นยังหัดอยู่ยังหัดนั่งสมาธิอยู่ยังพุทโธพุทโธอยู่ยเดินจงกรมนั่งสมาหัดนั่งสมาธิอยู่แต่จิตยังไม่ดวงเป็นสมาธินี่เป็นพวกที่สองพวกที่สามก็คือพวกญาติโยมนี่แหละพวกที่ไม่ได้บวชศีลก็ขาดขาดเกินๆสมาธิก็อย่าไปพูดถึงเลยนั่งทีไรก็ฟุ้งซ่าน ไม่เคยับไม่เคยพบขับคำว่าจิตรวมเป็นยังไงตรงนี้เป็นพวกที่สามสมัยนี้ที่เทศในปก็เทศในพวกที่สามฟังถึงต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนู่นนะกว่าจะพัฒนาจากจากชนิดที่สามไปเป็นชนิดที่สองคือไปบวชกันมีญาติโยมที่มาฟังทาที่นี่ไปบวชกันหลายคนนะ ถ้าเป็นแม่ชีก็เดี๋ยวนี้ไม่บวชนกันหกคนแะแม่ชีที่มาฟังเทศญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมตอนต้นก็เป็นญาติโยมธรรมดานี่แหละยังมีผมมีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแม่ชีล้วโกนศีษะนุ่งขาวห่มขาวพวกนี้ตั้งใจรักษาสีให้บริสุทธิ์กําลังหัดกําลังหัดนั่งสมาธิกันจเจริญสติกัน พวกนี้เป็นบัวชนิดที่สองถ้าเขาพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆ ร, รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคือไม่สึกคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็คือไม่สึกบวชแล้วไม่สึกแล้วก็พยายามฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งจิตก็จะรวมพอจิตรวมแล้วพอมาฟังธรรม ท, ทีนี้ก็บรรลุได้เลย นี่ก็มีนะมีทั้งพระโยมที่เป็นผู้ชายมาฟังก็ไปบวชเป็นพระหลายคนแล้วมาบวชอยู่ที่วัด น, นี้ก็สามสี่คนแล้วคนหนึงเป็นหมอจากขอนแก่นคนหนึงทํางานโรงกั่นน้ำมันอีกคนก็ทํางานธนาคารที่มาฟังเศทศธรรมตอนที่เป็นโยมแล้วพอฟังแล้วก็เกิดศรัทธา อยากจะขยับจากบัวเหล่าที่สามขึ้นมาเป็นเหล่าที่สองก็เคยมาบวชกันตอนนี้ก็กําลังฝึกสมาธิกันอยู่ถ้าได้สมาธิเมื่อไหร่ก็จะเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งพอเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งพอพิจารณาใจรักพิจารณาอาริยสัจสี่พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตได้เดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้ เป็นพระอรหันต์ได้นี่คือความก้าวหน้าของญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมกันที่นี่นอกจากมาบวชที่นี่แล้วก็ไปไปปฏิบัติไปบวชที่วัดอื่นก็มีแต่ไม่ได้บวชชีไปถือศีลแปดไปอยู่วัดเป็นประจำก็เหมือนกับบวชชีเองแต่ว่ายัางไม่ได้โกนศรีระถือศีลแปดเหมือนแม่ชีแล้วก็กำลังหัดฝึกสมาธิกัน อันนี้ก็มีหลายคนอยู่ยุคนี้มันต้องเสียเวลาหน่อยเพราะบัวเหล่าที่หนึ่งกะทินั้นมันมันหมดไปแล้วถ้าเป็นน้ํากะทิก็น้ําแรกมันถูกถูกบีบออกไปหมดแล้วกะทิน้ําแรกน้ําที่สองก็หมดแล้วเหลือแต่น้ําที่สามน้ําที่สามมันก็ใสมันไม่ข้นมันไม่ได้ข้นด้วยธรรมะก็เลยต้องใช้เวลาสร้างความเข้มข้นขึ้นมา พอญาตยโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นก็จะลาออกจากงานกันลาออกจากการเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไปอยู่วัดกันเรืถ้าไม่มีไม่มีวัดก็อยู่ที่ไหนคนเดียวที่ไม่มีใครมาลบกวนใจอยู่แบบนักบวช อันนี้เป็นขั้นตอนของการพัฒนาของญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมพวกที่มาฟังเทศฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นพวกเหล่าที่สามเพราะมีศรัทธามีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของการรักษาสีในเรื่องของการนั่งสมาธิในเรื่องของการเจริญปัญญาแต่ยังเป็นผู้เริ่มต้นอยู่ถ้าเป็น น, นักเรียนก็เหมือนนักเรียนอนุบาลอยู่ แต่อย่างน้อยได้เข้าโรงเรียนละดีกว่าพวกบัวเหล่าที่สี่นี้ไม่เอาเลยไม่ยอมมาวัดเลยไม่ยอมมาฟังเทศฟังธรรมเลยใครละใครชวนมาก็ต้องลากมาลากมามาหนเดียวก็ไม่มาอีกพวกนี้เป็นพวกบัวเหล่าที่สี่พวกที่มีการต่อต้านธรรมะไม่ชอบธรรมะ ไม่ชอบการรักษาสีไม่ชอบการนั่งสมาธิพวกนี้ชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบดูชอบฟังถ้าชวนไปเที่ยวนี้โอ้โหไม่ต้องลากไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่พูดเท่านั้นก็วิ่งตามเลยพวกนี้คือพวกบัวเหล่าที่สี่พวกที่ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้ พวกนี้จะไม่สนใจเรื่องการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการนั่งสมาธิจะเอาแต่เที่ยวจะกินจะดื่มจะเล่นกันทใช่ไหมจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะหาแต่เงินหาแต่ลาบยศสำลัเสริญพวกนี้ไม่อยากมาวัดกันอเห็นไหมพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตพวกที่ชอบ าเงินหาทองพวกมหาเศรษฐีกันนี่เข้าวัดกันหรือเปล่าพวกเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นนะรัฐมนตรีเป็นอะไรเขามาวัดกันหรือเปล่ามาก็มาแบบมาเป็นพิธีถ้าเป็นพิธีก็มาเช่นปีหนึ่งมีกระถินก็ต้องเอากระถินมาถวายมาทอดนี่ก็มาแบบนั้นไม่ได้มาเพื่อที่จะมาศึกษาคำสอน ไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาคำสอนไปปฏิบัติมาเพื่อประกอบพิธีเท่านั้นเองพวกนี้ก็เป็นพวกที่พระพุทธเจ้าไม่สอนสอนก็เสียเวลาเพราะเขาก็ไม่ฟังเวลาสอนในใจเขาก็คิดถึงเรื่องเงินเรื่องหาเงินเรื่องหาหายุหาสารรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสฟังก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไป พอเสร็จแล้วก็ไม่ไดเอาไปปฏิบัติก็จะไม่มีการพัฒนาขึ้นมา น, นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของการ เ, าเป็นพระอาารลันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบางลูกท่านเห็นว่าสอนไปก็เหนื่อยเปล่าๆก็ไม่สอนดีกว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัข เททีไรมันก็สะบัดทิ้งหมดก็อย่าไปเทดีกว่าเสียดายน้ำํำท่านก็เลยไม่สอนก็เลยเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเขาร่มน้ำเอนี้ตอนต้นท่านก็จะเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าแต่พอมีเท้ามหาพรหมมาขอความกรุณาเมตตาให้โปรดสัตว์ให้พิจารณาดูอีกสักครั้งว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนกันหมดหรือไม่พ่ะองค์ก็เลยทรงเห็นว่าไม่เหมือนกันมีพวกที่สอนได้กับพวกที่สอนไม่ได้พระองค์ก็เลยทรงมุ่งไปสอนพวกที่สอนได้ก่อนยุคแรกๆนี้จะมีพระอรหันเยอะมากในสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยมีแต่พระอรหันทั้งนั้นเลยเพราะพวกนี้เขาสนใจเขาอยากจะเป็นพระอรหันกัน เขารักษาศีลเขาออกบวชกันเขาฝึกแม่งสมาธิกันเพราะเขามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันทั้งนั้นอยากจะไปสู่จุดที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขพอมีพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางมาบอกเขาก็ไปกันอย่างได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะเขามีความพร้อมทุกอย่างพอการสอนพวกนี้ หมดไปพ่อองค์ก็เลยต้องมาสอนพวกที่สองพวกที่เป็นนักบวชพวกบวชแต่ยังนั่งสมาธิไม่เป็นก็สอนให้เจริญสติฝึกสติแล้วก็ให้นั่งสมาธิกันแล้วพอจิตเขารวมเป็นสมาธิได้ก็สอนเรื่องปัญญาพอสอนเรื่องปัญญาเขาก็จะบรรลุได้พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่สอง ตรงนี้ก็ล้มลุกคุกคานกันยุคนั้นนี้ไม่มีข้อบังคับพระเลยเพราะพระที่บวชนี้เป็นพระอารหันต์ทั้งนั้นพระอารหันต์นี้ก็เหมือนกับคนที่ขับรถเป็นไม่ต้องมีกฎจราจรไม่ต้องมีป้ายบอกว่าให้วิ่งเร็ววิ่งช้าให้หยุดหรือไม่ให้หยุดเพราะพวกนี้เขาขับเป็นเขารู้ว่าควรจะขับเร็วหรือขับช้า คนจะหยุดหรือไม่หยุดเราไม่มีกฎจราจรในยุคแรกๆไม่มีพระวินยัยไม่มีศีลบังคับพระแต่ต่อมาพอพวกที่สองมันมาบวชกันเนี่ยพวกที่ไม่ยังไม่รู้ศีลของพระว่าเป็นอย่างไรก็บางทีก็ไปทำผิดศีลพอไปทาผิดศีลพระพุทธเจ้าทราบเข้า ก็เลยต้องห้ามก็เลยน่ามีศีลขึ้น ม, มามีข้อบังคับมีพระวินัยตอนต้นก็มีข้อหนึ่งเดี๋ยวก็มีข้อที่สองข้อที่สามมีใครทําผิดตรงไหนก็ต้องมาห้ามตรงนั้นจนรวมกันกลายเป็นสองร้อยยิบเจ็ดข้อขึ้นมาเพราะพวกที่มาบวชนี้ไม่รู้จักวิธีเป็นพระอย่างถูกต้องทําผิดข้อนั้นทําผิดข้อนี้ ก็เลยเกิดมีพระวินัยขึ้นมาเนี่ยพระวินัยเกิดขึ้นหลังจากที่พวกที่เป็นผ้าอาหารนี่หมดไปแล้วเหลือแต่พวกที่ยังไม่ได้เป็นผ้าอาหารพวกที่สนใจมีศรัทธาออกบวชแต่ไม่รู้วิธีอยู่ของนักบวชว่าอยู่อย่างไรก็เลยไปทำผิดบ้างพอเกิดการทาผิดก็พอพระพุทธเจ้าทราบก็ต้องห้าม มีคนหนึ่งมาบวชเป็นก่อนมาบวชก็มีครอบครัวมีภรรยาแต่ไม่มีลูกแล้วพ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีพอมาบวชพ่อแม่ก็ตกใจแล้วสมบัติของกูจะไปให้ใครเวลาตายไปก็เลยขอร้องให้ให้อดีตแฟนของพระนี่ไปนอนกับพระ mm hmm. เพื่อที่จะได้นมีลูก จะได้รับมรดกพระก็ไม่รู้ว่าเป็นพระนอนกับแฟนไม่ได้นี่เมื่อมาขอร้องให้นอนก็นอนเพื่อทําลูกแต่ไม่ได้นอนเพราะมีอารมณ์นี้ทําเพราะนอนเพราะว่าต้องทําลูกให้พ่อให้แม่ทําหลานให้พ่อให้แม่เพื่อจะได้รับมรดกของพ่อแม่ไปแต่พอทําแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําได้หรือไม่ คนเจ้าบอกทําไม่ได้แล้วเป็นนักบวชแล้วไปนอนกับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตภรรยาก็นอนไม่ได้ถึงแม้ว่าจะนอนเพื่อนอนเพื่อทําลูกทําหลานให้เพื่อไปรับมรดกก็ไม่ได้<ม>ก็เลยมีข้อห้ามข้อหนึ่งขึ้นมานักบวชห้ามร่วมหลับนอนกับ<ม>กับแฟนกับภรรยากับ أ, เพศตรงกันข้า ม, มพอไม่ให้นอนกับ กับภรรยากับเพศตรงกันข้ามก็มีพระวิตถานไปนอนกับลิงก็มีอ้าวก็เลยต้องห้ามเพิ่มนอกจากมนุษย์แล้วยังไม่ให้นอนกับเดรัชานด้วยเนี่ยมีข้อห้ามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆว่าผู้มาปฏิบัติมาบวชนี่ไม่รู้วิถีชีวิตของนักบวชว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร ก็เลยมีข้ออะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็มีพระไปฆ่าผู้อื่นก็เลยห้ามไม่ให้ฆ่าฆ่ามนุษย์บาปอีกแล้วบางลูกก็ไปโกหกญาติโยมว่าได้บรรุษทำขั้นนั้นขั้นนี้เพื่อจะเอาใจญาติโยมให้ญาติโยมมีกำลังใจมีศรัทธาก็ผิดอีกไปโกหกหรอกลวก ก็เลยมีข้อห้ามต่างๆโผล่ขึ้นมาทีละข้อสองข้อจนมีถึงสองร้อยยิบเจ็ดข้อตอนที่พระพุทธเจ้าตายถ้ายังอยู่ถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นสองพันสองร้อยจดข้อก็ได้สองร้อยสองพันสองร้อยเจ็ดสิบข้อก็ได้ อ๋สมัยนี้ก็ยังมีทำอะไรแปลกๆญาติโยมก็ถามอยู่เรื่อยพระทําอย่างนี้ได้เปล่าพระทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าเออถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินทําไม่ได้เอทําอย่างนี้ทําไม่ได้ไปช้อปปิ้งตามสถานที่ช้อปปิ้งไปไม่ได้เป็นพระไม่กลวนไปไปนอนบ้านโยมได้เปล่าไปไม่ได้นอนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มีไหม ที่ไปนอนบ้านโยมกันมีไม้ยที่ไปชอปปิ้งกันนั่นแหละก็มีขึ้นมาหลากหลายถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ห้ามได้แต่พอไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครกล้ามาห้ามเพราะบารมีไม่ถึงห้ามเขาก็ไม่ฟังก็เลยไม่มีใครห้ามได้ก็เลยห้ามแค่สองอยี่บเจ็ดข้อเท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของพระพุทธเจ้าของพระพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี่จะเป็นศาสนาพุทธขึ้นมาได้นี่ต้องมีองค์ประกอบสามองค์ด้วยกันคือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางที่พระพุทธเจ้าตัดสั้น นั้นยังเป็นยังไม่มีพระพุทธศาสนายังเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าตายไปก็หมดไม่มีพุทธศาสนาตามมาแต่พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีพระธรรมคำสอนขึ้นมาพอมีพระธรรมคำสอนมีผู้ฟังรมบรรลุธรรมขึ้นมาก็มีพระอริยสงสารกขึ้นมารอริยสงสาวกก็ จะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ยังมีพระอริยสงฆ์มีพระธรรมคําสอนที่จะสามารถสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยมีพระพุทธศาสนามานับตั้งแต่วันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันครบองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก พระธรรมเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ปวันอาสาหะบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกพอหลังจากเสร็จการแสดงธรรมหนึ่งในผู้ฟังคือพระอัญญากรทญยะก็บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นที่หนึ่งขึ้นมาขั้นโสดาบันขึ้นมาวันนั้นก็เลยเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาถ้าใครถามว่าพระพุทธศาสนามีอายุเท่าไหร่ก็ให เอาปีของพระพุทธศักราชนี้บวกกับ45ปีเพราะว่าเขาเริ่มต้นศักราชในวันที่พระพุทธเจ้าสิ้นพชนวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันหนึ่งปีหนึ่งถ้าปีหนึ่งพ อ, พอสองหนึ่งก็เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้ว2560นี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเราได้ตายมา 2,560 นี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเราได้ตายมา ห้าร้อยหกสิบปีแล้วแต่พระศาสนานี้เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าตายสี่สิบห้าปีก็ต้องบวกอีกสี่สิบห้าปีเข้าไปอายุของพระพุทธศาสนานตอนนี้ก็สองพันหกร้อยสองพันหร้อยแล้วสิสองพันหร้อยห้าปีเพราะสองพันห้าร้อยหกสิบบวกอีกสี่สิบห้าปีด้วยกัน ก็นี่คืออายุของพระพุทธศาสนามีใครรู้บ้างหรือเปล่าถ้ามีใครก็ถามตอบก็ได้ป่าว่าพระพุทธศาสนานี้มีอายุนานเท่าไหร่แล้วก็เอาปีพศออบวกกับสี่สิบห้าเพราะเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านสอนธรรมะวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นพระพุทธเจ้าอายุสาสิบห้าปีแล้วพระพุทธเจ้าก็ตายอายุแปดสิปี ก็แสดงว่าสอน45ปีด้วยกันวันเกิดของของพระพุทธศาสนาก็คือวันเพ็ญเดืน 8, นอนแปดอนาสาหบูชา 2,045 ปีก่อนพุทธศักราช <S S S> พุทธศักราชเริ่มต้นที่วันตายของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนนี้ ส45ปีก่อนตายยังอยากจะรู้ว่าพระพุทธศาสนามีอายุเท่าไหร่ก็ต้องเอาพุทธศักราชมาบวกกับ45ปีในปีนี้ก็ 2,560 ก็บวก45ก็ 2,605 ปีกับอีกกี่เดือนนี่เดือนอะไรเท้าพรรษามากี่เดือนสองเดือน<ช>เกือบสองเดือนดเดือนกว่าก็บวกอีกสองเดือนอ อีกเดิอนครึ่งนี่คือวิธีนับอายุของพระพุทธศาสนานับวันที่มีองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาครบองค์วันที่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็วันอาสาหาบูชานี่แหละนี่เกิดความสําคัญของวันอาสาหาบูชาที่ไม่มีใครเขาอธิบายกันไม่มีใครพูดอย่างนี้ ไม่มีใครก็บอกว่านี่เป็นการฉลองวันเกิดของพระพุทธศาสนากันมีแต่บอกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแสดงแล้วก็มีผู้ฟังได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์คนแรกแต่ไม่ได้อธิบายความหมายว่าเป็นอย่างไรความหมายก็คือเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์เป็นวันที่เริ่มต้นของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะหมดก็ต่อเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หายไปหมดตอนนี้ยังเหลือสององค์อยู่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วแต่ยังมีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์อยู่ต่อไปพระอริยสงฆ์ก็คงจะหมดเนื้อแต่พระธรรมพระธรรมก็ต่อไปก็จะหมดคือจะมีอยู่แต่เป็นตัวหนังสือแต่จะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครเอามาสั่งมาสอนกันก็เป็นตําราที่ คนไม่ได้มาศึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติต่อไปก็จะหมดตอนนี้คนก็ไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาตํารากันแนละ้วอย่าว่าแต่ปฏิบัติเลยเพียงแต่ศึกษาตํารากันก็ไม่สนใจแนละ้วแล้วพระอริยสงสารพวกนี้เป็นยังไงหาง่ายไหมหาง่ายเหมือนในสมัยพุทธกาลไหพุทธกาลนี่เดินไปตรงไหนก็ชนกับพระอรหรันต์เดินเพราะมีแต่พระอรหรันต์ยุคแรกๆเนี่ยวันณะ มันมาค้ามูชาเนี่ยมีพระอาหารหันต์มาพระพระพุทธเจ้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยเดินไปตรงไหนก็มีแต่พระอาหารหันต์ชนกันเท่านั้นน่ะนั่นแหละคือยุคทองของพระพุทธศาสนาเจ็เดือนหลังจากที่ได้ประกาศพระพุทธศาสนาอันนั้นถือว่าเป็นยุคสูงสุดของพระพุทธศ า, ส, าสนาความเจริญสูงสุดเราวัดความเจริญของพุทธศาสนาที่ตรงไหน ก็จํานวนของพระอาหารหันต์เนี่ยมีมากหรือมีน้อยเหมือนกับเราดูความเจริญของเราดูที่ไหนดูที่บัญชีใช่ไดูที่ตัวเลขใช่ไว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้ามีเงินมากก็เจริญมากใช่ไหมถ้ามีเงินน้อยก็เจริญน้อยถ้าอยากจะดูความเจริญของพระพุทธศาสนาว่าเจริญมากเจริญน้อยก็ดูที่พระอริยบุคคลดูที่พระอาหารหันต์ ถ้าไม่มีพระอรหันต์ก็ดูที่พระ อ, อนาคามีถ้าไม่มีพระ อ, อนาคามีก็ดูพระสกิดาคามีถ้าไม่มีพระสกิดาคามีก็ดูโสดาบันถ้าไม่มีโสดาบันก็จบเนีย่ยดูตรงนั้นความเจริญของพระพุทธศาสนาอย่าไปดูที่พระโกนหัวแล้วห่มผ้าเหลืองเพราะว่าการโกนหัวห่วมผ้าเหลืองนี้ไม่ได้ทําให้เป็นพระอรหรันต์ ไม่ได้ทําให้เป็นพระอริยะบุคคลจะเป็นพระอารหันได้ต้องฆ่ากิเลสได้ฆ่าตัณหาได้หยุดความอยากได้กันต้องดูนี่มันถึงดูยากไงเพราะว่าพระโคนหัวพระอารหันก็โคนหัวนุ่มนุ่มนุ่มห่มเหลืองเหมือนกับคนที่ไม่เป็นพระอารหรันเลยไม่รู้จะดูตรงไหนก็ลังดูตอนที่ตายไปแล้วถ้าเป็นพระอารหันกระดูกก็จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมา มีวิธีดวูวิธีหนึ่งก็คือต้องคุยกันแต่คนที่จะคุยก็ต้องรู้ถ้าคนคุยไม่มีความรู้คุยก็ไม่สามารถไปวัดความรู้ของคนที่เราคุยด้วยคนที่คุยก็ต้องเป็นผ้าอรหรันถึงจะรู้ว่าคนที่คุยด้วยนี้เป็นผ้าอรหรันหรือไม่ถ้าไม่เป็นก็ไม่รู้ถ้าคนที่คุยไม่ได้เป็นผ้าอรหรันแล้วได้คุยกับผ้าอรหรัน จะรู้ว่าท่านเป็นพาาระอรหันต์ก็เอาคำที่สอนของท่านไปปฏิบัติถ้าท่านสอนให้ทาอย่างนี้เราไปปฏิบัติแล้วทำได้แล้วได้ผลเราก็เชื่อว่าคนนี้ต้องรู้จริงเห็นจริงคน ร, รู้วิธีฆ่ากิเลสฆ่ายัางไงพอไปถามท่านท่านก็บอกให้ฆ่าอย่างนี้พอพอฆ่าได้ปั๊บเราก็เชื่อว่าคนนี้มันน่าจะเป็นได้เพราะถ้าเขาไม่เป็นก็จะสอนเราไม่ได้เหมือนคนที่ขับรถเป็น ถ้าเราขับก็ไม่เป็นเราไปถามคนขับรถเป็นว่าขับรถยังไงใช่ไหมเขาก็บอกให้ขับอย่างนั้นขับอย่างนี้พอเราไปขับเราก็ขับได้แล้วก็เชื่อว่าเขาต้องขับได้ถ้าขับไม่ได้เขาจะมาบอกเราได้ยังไงอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราพอจะรู้ได้ว่าคนที่เราคุยด้วยนี่เขาเป็นพระอารหันต์หรือไม่หรือเขาเป็นพระในระดับไหน ถ้าเราเป็นพระในระดับใดระดับหนึ่งถ้าเราคุยกับเขาเราจะรู้ได้แค่ระดับที่เรารู้เหมือนคนที่จบปริญญาตรีนี้จะคุยกับคนอื่นจะรู้ได้เพียงว่าเขาจบปริญญาตรีหรือเปล่าแต่เขาจบโทหรือจบเอกนี้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ไปวัดความสามารถของเขาได้เพราะเราไม่มีความสามารถไปวัดเขาได้แต่คนที่จบม .6 นี้เราจะรู้เราจะรู้ว่าเขาไม่ได้จบปริญญาตรีถ้าเราจบปริญญาตรี แต่คนที่จบปริญญาโทนี่เราไม่รู้ว่าเขาจบหรือไม่ถ้าเขาไม่บอกเราเขาบอกเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าแต่ถ้าเราจบปริญญาโทเราก็จะรู้เช่นเดียวกับพระเนี่ยอริยเจ้าถ้าจบถ้าเป็นโสดาบันก็จะรู้แค่ขั้นโสดาบันถ้าคุยกับพระรูปอื่นก็จะรู้ว่าเขาเป็นโสดาบันหรือไม่แต่ถ้าเขาเป็นสูงกว่านั้นก็จะไม่รู้เพราะตัวเองยังไม่รู้ตัวเองยังไม่เป็น Mm hmm. อยากจะรู้ถ้าคนที่สูงกว่าสอนให้เป็นท ไ, ไปคุยกับพระสกิดาคามีแล้วก็สอนให้ทําอย่างนี้ทํานี้สิพอไปทําปับ๊บก็ได้เป็นพระสกิดาคามีขึ้นม า, านี้แสดงว่าคนที่สอนเรานี่เป็นพระสกิดาคามีแล้วอย่างน้อยจะเป็นพระอานหารหรือไม่อาจจะเป็นก็ได้เพียงแต่ว่าท่านสอนแค่ขั้นสกิดาคามีก่อนพอเราได้ขั้นสกิดาคามีเราไปคุยถามอีก อารก็สอนให้ได้เป็นอนาคามีก็รู้โอนี่ก็สูงขึ้นอีกแล้วพอเป็นอนาคามีไปคุยไปถามอีกก็สอนให้เป็นผ้าหันได้อีกอถ้าอย่างนี้ก็รู้ว่าคนนี้ต้องเป็นผ้าหานันนี่แอละนี่คือวิธีหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เาคารพครูบาอาจารย์เขาเคารพเพราะเขาเอาคําสอนไปปฏิบัติไปพิสูจน์เขาไม่ได้เคารพศรัทธาแบบลอยลอ ย, อยเหมือนกับญาติโยมนี่ยังศรัทธาล อ, อยอยู่ยัง เชื่อแบบไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการพิสูจ น, น, น, น์พอเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็เชื่อกันพอเขาบอกว่าเป็นพระอนาคามีก็เชื่อกันแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่เขาจะรู้แน่นอนถ้าเขาเอาคําสอนของพระนั้นไปปฏิบัติจนตัวเขาเองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกับเขาหรือไมาเช่นนั้นก็ต้องรอให้ ครนั่นตายไปแล้วก็ดูคอยดูกอดูกว่ากลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าแตการเป็นพระธาตุก็ไม่แน่นอนอีกเพราะว่าผ้าอาราันบางรูปก็ตายไปแล้วกระดูกไม่เป็นพระธาตุก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผ้าอรังไม่นานแล้วตาย<ม>เวลาที่จะฟอกกระดูกให้เป็นธาตุนี่มันมีน้อยเหมือนกับเวลาซักเสื้อผ้าเอาไปแช่เดี๋ยวเดียวโอกาสที่จะทาให้ผ้ามันสะอาดนี่มัน มันไม่พอเวลาไม่พอมั้ในเวลาซักผ้านี่เราต้องแช่ไว้ถ้าไปจุ่มน้ำปั๊บแล้วยกขึ้นมาตากเลยนี่คาบสกปรกมันก็ยังค้างอยู่ก็ดูของพอระอรหันต์ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าบรรลุปั๊บแล้วก็ตายเลยนี่ไม่มีเวลาที่จะมาฟอกกระดูกกระดูกก็จะไม่เป็นพระธาตุได้เังนั้นการดูดูกระดูกอย่างดูกระดูกว่าเป็นพระธาตุหรือไม่ก็ยังไม่แน่นอน แต่ถ้าเป็นก็แสดงว่าแน่นอนแต่ถ้าไม่เป็นนี่ก็ไม่แน่นอนว่าเป็นหรือไม่เป็นอาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สาคัญใครจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สาคัญเราเป็นหรือไม่เป็นดีกว่าให้เรามาดูที่ตัวเราดีกว่าว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเรายังมีกิเลสอยู่หรือวิธีดูเราง่ายกว่าดูคนอื่นก็ยังไม่ดูว่าเราเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์นง่ายถ้าดูตัวเราง่ายกว่าดูคนอื่น หรว่าเรายังโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรายังมีกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอยู่หรือเปล่าดูแค่เนี้ดูง่ายกว่าดูคนอื่นดูคนอื่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเขาเป็นพระอรหันเขาก็ไม่ได้มาทําให้เราเป็นพระอรหันอยู่ดีดูตัวเราดีกว่าถ้าอยากจะดูพระอรหันดูตัวเราดูว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ทําให้มันเป็นซ้ําถ้ามันโลภโกรธหลงก็หยุดมันซ้ํา ถ้ามันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดมันถ้ามันอยากมีอยากเป็นก็หยุดมันถ้ามันอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็หยุดมันหยุดมันยังไงก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปพอมีศีลสมาธิปัญญามันก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากทั้งสามได้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้พอหยุดทั้งสามนี้ได้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า มันจะรู้อยู่ในใจเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วต้องไปถามคนอื่นหือเปล่วปาว่าอิ่มหรื อ, อยังเหมือนคนที่เป็นไม่สบายแล้วหายจากโกาครคภัยแค่เจ็บนี้ต้องไปถามหมอแล้วว่าผมหายหรื อ, อยังอันนี้ก็เหมือนกันสันทิติโกผู้ที่เป็นพระอรหันต์นี้ไม่ต้องไปถามใครว่าตอนเองเป็นพระอรหันต์หรือไม่นอกจากพวกที่พวกที่มืดบอดแล้วไปคิดเอาเองว่าเป็นทนั้นเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ ทั้งทั้งที่กิเลสความโลภกดหลงยังมีเต็มอยู่หัวใจการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญห า, ญหายังมีอยู่เต็มหัวใจแต่มองไม่เห็นแล้วเมืองแต่ไปคิดว่าตนเองได้เป็นพระอารหันต์แล้วอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ไอ้นี่พระฤๅษี้ก็เรียกว่าพวกหลงพวกวิปัสสนอู่อ่านะนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอริยสงฆ์สาวก เรื่องของพระธรรมคำสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มีมาได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ก็ขอให้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาณังโอปกะปิอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิตเปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิจโตติระโสยทาสสะพีติโยวิวาจาตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีนิสานิจังวุทฒาปัจายิโนจตารูธรมาวาทาติอายุวโนสุขังภาลัง อันนี้ขึ้นมาถึงเท่าไหร่ละเฟซบุ o กกับยูทูบอันเฟซบุ๊สูงสุดส1่ร้สิบค่ะเห็นไหมพ อ, อ 1, พอรถยูทนึ่งรอยยอเริ่มวิ่งคนผูดยสารก็ขึ้นยังไงพอรถอยังไม่วิ่งก็มีนั่งรอจองที่ไว้ก่อนพอเริ่มวิ่งปั๊บนี่รถคนเริ่มขึ้นใหญ่แล้วยังก็เริ่มลงกันลนะตอนนี้รถเหลือเท่าไหร่ละเริ่มลงเหลือสออแล้วค่ะอรถท้ายไปเยอะเลยนะพอเทศเสร็จไปเลย ยูทูบหรือเท่าไหร่ยูทูบหลือหนึ่ง้อยสิบเอดค่ะยูทูบยังยังแน่นหนาอยู่วันนี้มีต่างชาติเข้ามาไหมไม่มีคไม่มีนะอ่ามีคำถามก็ลองส่งเข้ามาเลยคำถามจากคุณจิงค่ะ โยมเจริญสติตามที่พระอาจารย์แนะนำตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวตื่นจนหลับเมื่อวานตื่นนอนก็ดูลมก็รู้สึกนิ่งลมหายใจหายก็รู้สึกสว่างไม่อึดอัดแต่วันนี้ตอนเช้ายงก็ทำแบบนี้แต่คราวนี้อึดอัดหายใจไม่ออกทำไมถึงต่างกันเจ้าคะแล้วแบบนี้จะทาอย่างไรต่อดีคะก็ <c ười> ดูบางทีใจเราอยากมังมีความอยากนิดหน่ เราต้องดูเฉยๆอย่าไปมีความอยากอย่าไปอยากให้มันเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้มันเบามันสบายวันนี้ก็เลยอยากให้มันเบามันสบายเหมือนเมื่อวานพอมันไม่เป็นก็เลยอึดอัดขึ้นมาก็ได้ดั้นอย่าไปอยากอย่าไปคิดถึงเมื่อวานนี้ให้อยู่กับลมอย่างเดียวอให้ดูเหมือนกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราดูแบบแบบดูลมอย่างเดียวเราไม่ได้ไปคิดถึงวันก่อนเพราะวันก่อนไม่มีแต่วันนี้เรา เราไปคิดถึงเมื่อวานนี้เข้ามันก็เลยทําให้เกิดความอยากขึ้นมามันเลยไม่ได้ดูลมมันไปดูความอยากแทนมันก็เลยอึดอัดขึ้นมาได้คําถามเจ้คุณพิทักษ์ค่ะในการปฏิบัติหากเราเกิดนิวรหรือความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นวิธีแก้ไขควรทายังไงครับก็มีหลายวิธีด้วยกันฮ ว, วิธีแรกก็คือลุกขึ้นมาเดิน ถั่งแล้วง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่ก็ไปล้างหน้าล้างตาซะหน่อยแล้วดูซิว่าเดินแล้วยังง่วงอยู่ปะถ้าง่วงก็หัดเดินเดินถอยหลังอย่าเดินหน้าเดินถอยหลังแทนเดินถอยหลังมันก็ต้องใช้ความความมีสติมากขึ้นถ้ายั ง, งง่วงอยู่ก็ไปนอนซะแล้ว คาวหน้าก็ใช้วิธีอื่น ว, วิธีอื่นก็คือมีสองวิธีวิธีแรกก็คือให้อดอาหารหรือลดการกินอาหารลงกินให้น้อยลงอย่าให้มันอิ่มถ้าอิ่มแล้วมันจะง่วงถ้ามันหิวแล้วมันจะไม่ง่วงงนั้นพยายามกินแบบไม่ให้มันอิ่มกินพอให้มันมีอาหารพอหล่อเลี้ยงร่างกายได้ แล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็อดมันเลยเอาแต่ของเหลวดื่มแต่น้ำผลไม้น้นําปานะอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องดื่มเลยก็ได้เอาน้ําเปล่าๆก็ได้ยิ่งดีใหญ่จะได้ไม่วุ่นวายเงี้ยเดี๋ยวก็ไปติดกับเครื่องดื่มอีกพอ<ม>ไม่ได้กินก็จะไปติดกับเครื่องดื่มก็ให้ดื่มน้ําเปล่าๆไปยอมทนยอมทนกับความหิวไปสักพังแต่มันจะไม่ง่วงรับรองได้ถ้าอดแล้วมันจะไม่ง่วง ถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวปฏิบัติไปหาปา่าช้าไปหาที่ไหนที่มันนั่งแล้วมันกลัวถ้ามีความกลัวแล้วมันก็จะไม่ง่วงอนี่ก็เกิดวิธีแก้ความง่วงต่างๆคําคถามจากคุณทวิชาค่ะถือศีลแปดกินอาหารเสริมในเวลาไม่เกินเที่ยงได้ไหมคะไม่ได้หรอก อ, อ๋อในเวลาไม่เกินเที่ยง ก็แล้วแต่ถ้าได้ถ้าเราไม่ได้ถือมือเดียวถ้าเราถือมือเดียวก็ไม่ได้กินหอนเดียวก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงเที่ยงไม่เกินเที่ยงก็ไม่กินแล้วเราต้องการลดปริมาณอาหารลงเพื่อจะได้ไม่สร้างนิวรให้เกิดขึ้นนั่นเองในการฉันมือเดียวด้วยการถือศีลแปดไม่ฉันหลังเที่ยงวันไปแล้วก็เพื่อลดปริมาณการรับประทานแล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้น ถ้าเรายังกินอาหารเย็นอยู่เราก็ยังภาวะปูนหลังจากมื้อเที่ยงแล้วก็ยังไม่ยอมไปปฏิบัตินะนั่งรอมื้อเย็นก่อนมันก็เลยไม่มีเวลาปฏิบัติถ้าไม่กินหลังเที่ยงวันแล้วพอเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ก็ว่างละเวลาไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินแล้วก็สามารถปฏิบัติได้เลยหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคำ ถ, ถามจากคุณรัชดาพรค่ะ การถือพโมจรรันมีหลักในการปฏิบัติเช่นไรบ้างและได้อ น, นิพงและได้อ น, นิสงเช่นไรเจ้าคะก็เป็นโสตไงกับพโมจรัร์ก็คือเป็นโสตไม่มีแฟนไม่ร่วมหลับนอนกับใคร น, นี่ันอนิสงก็คือจะได้ไม่ต้องทุกข์กับแฟนมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนห่วงแฟนห่วงแฟนเวลาแฟนไปคุยกันใครหน่อยก็อิจฉาตาร้อนขึ้นมา วิตกกังวลขึ้นมาคิดไปต่างๆนาน า, นาความสุขที่ได้จากการมีแฟนกับความทุกข์มันก็เลยไม่คุ้มค่ากันทุกมากกว่าสุขแล้วถ้าแฟนไปจากไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่คืออานิสงส์ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีเรื่องทุกข์กับแฟนแต่อย่าอยู่อยู่คนเดียวได้ก็ต้องรู้จักทําใจให้สงบ ถ้าใจไม่สงบมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าวเวยก็อยากจะมีแฟนแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ความอยากมีแฟนหายไปความเหงาความว้าวเวต่างๆก็จะหายไปต้องมีสมาธิเหรอคะอ่ามีความสุขในใจมันจะได้ไม่ต้องมา้วบความสุขจากแฟนเนี่ยคมถามจากคุณเอ็กกี้ค่ะ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 พอบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คำถามจากคุณ ป, า ว, ปาวนุษย์ค่ะหนูไปดูหมอราค่ะแล้วก็เต้นด้วยแต่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ค่ะแต่ชอบหมอรามากแบบนี้จะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าหนูก็จะไม่มีเวลามางั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่บาปถ้าถือศีลหยัง ยังอยู่ในกรอบของศีลห้าอยู่ถ้าไม่ดื่มสุราน้องนำทำเพลงได้ดูหนังฟังเพลงได้อยู่ไม่ห้ามศีลห้ามไม่ห้ามแต่ห้ามร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาเราคำถามจากคุณพีโกนค่ะมีพระบางรูกถือศีลหนึ่งร้อยห้าสิบข้อยึดพุทธทวาจะนะเป็นหลักถือว่าผิดถูกขาดเกินไหมครับก็ไม่รู้แหละเท่าที่เรา ถูกสอนมาเขาสอนให้รักษา227พี่เราอยากจะรักษา150ก็เรื่องของพี่ท่านอ่ะไม่ว่ากันคำถาวใจคุณนุชจลีค่ะญาณทัศนะคืออะไรเจ้าคะญาณทัศนะก็คือความเห็นความเห็นเนี่ยความเห็นด้วยญาณทัศนะก็คือความเห็นญาณก็คือ ความรู้ความเห็นความรู้ความรู้ความเห็นโดยเฉพาะเรื่องของวิมุตติญาณทัศนะเรารู้เราเห็นว่าเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเรียกวิวมุตติญาณทัศนะมีความรู้ความเห็นว่าตอนนี้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วคาถามจากคุณนาลาค่ะทุกข์กลับมัสมีเกิดดับไหมครับ ทุกกำมั ก, ม, กมักก็มียังยังมีเจริญมีเสื่อมได้อยู่ทุ ก, ก็มีเกิดมีดับไปคําถามจากคุณสุนีค่ะการสวดอิปิปิโสเท่าอายุแล้วบวกหนึ่งจะเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองจริงไหมคะก็ถ้าตั้งใจสวดจิตก็จะมีสติมีความสงบจิตก็จะมีความสุขออันนี้ความสุขก็คือความมงคลความเป็นมงคลก็อยู่ที่ความสุขเนี้ ก็อับประมงคลก็คือความทุกข์การที่เราสวดนี้ก็สวดเพื่อให้ใจเราสงบสวดให้ใจเรามีความสุขถ้าสวดแล้วไม่สงบก็ไม่ได้บุญไม่ได้มงคลไม่เป็นมงคลเพราะสวดแบบสวดแบบไม่มีสติสวดแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดเพื่อจะจะรีบสวดให้มันเสร็จเร็จให้มันจบไงถ้าสวดแบบนี้ก็จะไม่ไม่เป็นมงคลเวลาสวดต้องมีสติอยู่กับบทสวดเพียอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับบทสวดไปแล้วจิตจะเย็นจะสบายจะมีความสุขอย่างนี้ก็จะเป็นมงคลเป็นบุญคําถามจากคุณรัชดาพรค่ะคนมีแฟนก็ไม่สมควรปฏิบัติพรหมจรรย์เช่นนั้นหรือเจ้าคะอ้าวมีแฟนจยปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ยังไงคนมันเหมือนคนมีแฟนก็ ถ้าอยากจะปฏิบัติพรหมจรรย์ก็ต้องไม่อยู่กับแฟนอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวเวลาตอนคืนมันนอนหลับมันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกกันอะไรสลิปสลิ ป, ลปวอลได้คำถามจากคุณสิทธิชัยคะ่ะถ้าคุณแม่ของผมไม่มีใจน้อมมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเรื่องโลกนี้และโลกหน้า ก็ผมควรจะทํายังไงดีครับก็คุณทำไรายได้ก็ทำไปเลยไม่ได้ก็ไม่ต้องทําถ้าทําให้ท่านเชื่อได้ก็ทําไปถ้าทําให้ท่านเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องทํทาต้องถามจาคุณเลวดีค่ะเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักน้ําตาไหลค่ะเพราะอะไรคะเอาน้ําตาไหลมันมีหลายสาเหตุควันเข้าตามันก็ไหลได้เสียใจมันก็ไหลได้ เราก็ไม่รู้คุณต้องดูตัวคุณเองดดน้ำตาของคุณน้องมาถามเราได้ไงก็ดูน้ตอนนี้มันไหลมันไหลเพราะอะไรหลเพราะนั่งสมาธิก็ว่ามันก็เป็นเพราะการนั่งสมาธิทำให้มันไหลมันก็มีเหตุของมันอยู่แล้วน้องมาถามเราทำไมคำถามจากคุณแหม่มค่ะเวลาไปฟังพระอาจารย์สแสดงทางบนเขาเราควรนั่งฟังหรือนั่งสมาธิกาหนดพุโทโธไปด้วยคะ เพราะทุกครั้งที่ไปนั่งหลับตาแล้วจะหลับเลยจะไม่ได้ฟังพระอาจารย์บางท่วงวิธีที่ดีควรนั่งปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะ เ, ออเวลาฟังธรรมคนจะตั้งใจฟังธรรมเพราะธรรมนี้สำคัญกว่าการนั่งสมาธินี่เรานั่งเวลาอื่นก็ได้แต่เวลาฟังธรรมนี่มันนานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งเห็นเวลาฟังธรรมคจะให้ความสนใจกับการฟังธรรม ส่วนการนั่งสมาธินี้รอเวลาอื่นก็ได้ก่อนนั่งก่อนฟังธรรมก็นั่งไปนั่งสมาธิไปก็ได้หลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อก็ได้แต่เวลาฟังธรรมนี้ควรจะตั้งใจฟังเพราะว่าธรรมนี่มันเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่มีปัญญาเราก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เนี่ยตอนนี้ส่งคําถามเข้ามานี่ก็เป็นการฟังธรรมละ ถ้าเรากําลังตอบอยู่นี่คุณไปนั่งสมาธิคุณก็จะไม่รู้คําตอบว่าเป็นยังไงคําถามจากคุณเทียนทองค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าเห็นนี่จะหมายถึงอะไรคําถามจากคุณหนุ่มค่ะบางครั้งต้องอยู่ในสังคมการพูดจาเล่นหัวพูดตลกขบขันกับเพื่อนแต่ไม่มีเจตนาโกหก จะถือว่าผิดศีลข้อสี่หรือไม่รับศีลข้อสี่มีหลายระดับยถ้าระดับทั่วไปนีนก็เพียงแต่ถ้าไม่พูดโกหกก็ไม่ผิดแล้วแต่ถ้าละเอียดกว่า น, นั้นก็ผิดแล้วเพราะพูดเพ้อเจ้ไม่ควรพูดเพ้อเจ้พูดไร้าสารเรื่องไร้าสาระคำ ถ, ถามจากคุณชนะตนค่ะยมสังเกตว่าคูบาอาจารย์ส่วนใหญ่หน้าตาผิวพรรณองใสามาก เกิดมาจากจิตที่มีความสุขตลอดเวลาหรือเปล่าคะก็ดูเดียวเวลาคนมีความสุขกับคนเวลามีความทุกข์หน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมเวลาที่คนมีความเครียดกับไม่เครียดหน้าตาเป็นยังไงดูพวกที่ไปเป็นนายกดูดีหน้าตาเป็นยังไงพอพ้นจากตําแหน่งมาดูเส้หน้าตาเป็นยังไงนั่นก็เห็นแล้วว่ามันอยู่ที่จิตเนี่ย เวลาเป็นนายกนี่มีเรื่องปัญหาเยอะเข้ามาเรื่องทำให้เครียดเยอะผมก็หงอกเร็วหน้าตาก็เครียดหมุนมองพอเวลาพ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่มีเรื่องให้เครียดหน้าตาก็แจ่นใสขึ้นมาแต่ก็ชอบชอบเครียดกันเพราะติดอยากจะเป็นใหญ่กันเป็นใหญ่แล้วหน้าตากับข้ามเคร่งหน้าตากับหมุนมอง แต่เวลาเราไม่มีตำแหน่งนี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานก็เรื่องของจิตจิตทุกข์หรือไม่ทุกข์จิตสุขหรือไม่สุขมันก็จะส่งผลมาที่ละหน้าตาของเราเวลาเราเห็นหน้าตาคนเราก็รู้แล้วว่เาเ็าสุขไม่สุขวันวัาหาไหนที่เขาไม่ยิ้มเราก็รู้แล้วอันนี้มันมันไม่สบายใจแล้ววันหนที่เขายิ้มนี่แสดงว่าวันนี้แฮปปี้แล้วอยากจะได้อะไรรีบขอแนละ้ว ขอตอนนี้ก็มีความสุขของ่ายของ่ายกว่าตอนที่เขามีความทุกข์ไปขอตอนที่มีความทุกข์เดี๋ยวโดนด่ากลับมาคาถามจากคุณชุติมาค่ะถ้าทำบาปแล้วไปบวชจะเป็นการล้างบาปได้ไหมคะไม่ได้หรอกบาปที่ทำแล้วมันก็ต้องมีโทษตามมาไปบวชก็ไปห้ามทำบาปใหม่ทั้งเองบาปเก่าล้างไม่ได้แต่เรา เราไม่ทําบาปใหม่ได้เราล้างบาปใหม่ได้โดยการไม่ทําบาปใหม่โดยการไปบวชไปบวชนี่เหมือนกับเป็นการล้างบาปใหม่ถ้าเราไม่ได้บวชเราก็จะทําบาปต่อคําถามจากคุณมนมณฑลีค่ะมีการกล่าวว่าการชักชวนผู้อื่นให้ทําบุญจะทําให้มีบริวารมากดังนั้นหากมีคนชักชวนให้เราทําบุญแล้วเราทําตามเขา ต่อไปเราต้องเกิดไปเป็นบริวารเขาหรือเจ้าคะไม่หรอกไม่ถูกล่ะการจะมีบริวารมากอยู่ที่ความเมตตาถ้าจ่ายเงินมากบริวารก็มากเองอถ้ามีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกเงินแจกทองแจกข้าวแจกของไปไหนจะมีคนวิ่งตามมันเยอะแยะไปหมดเนีย่ยตอนเชาน้าเราถือขนมมาให้เด็กนะี่พอลงจากรถเด็กมันวิ่งตามมาันเลบริวารมาแล้ว อย่าคนที่จะมีบริวารมากนี้อยู่ที่มีความเมตตามีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมเรามีบริวารหรอืเอเปล่าม้าเลยสี่เท้าอา่ะเพราะลูกจะได้กินใช่ไหมนะคนที่มีบริวารเพราะมีความเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็คือมีบริวารมีผู้ติดตามถ้าเฟซบุ๊กก็มีผู้ติดตามเยอะถ้า y o u ูทูปก็มีผู้ติดตามเยอะคํถาถามจากคุณภาวุฒค่ะหนูไปฟังธรรมแล้วจะไปก่อนเวลาเพื่อที่จะล้างห้องน้ําก่อนต้องขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ก่อนไหมคะหรือไปล้างได้เลยคะอ๋อล้างได้เลยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตทำคาําดีไม่ต้องร ไม่ต้องขอใครถ้าถ้ามันไม่เสียหายก็ทำเลยคำถามจากคุณพารินค่ะเวลาฟังทำนึกในใจสาธุสาธุผิดไหมคะไม่ผิดก็ไม่ถูกก็ไม่ต้องสาธุหรอกฟังก็ตั้งใจฟังก็พอสาธุไม่สาธุมันไม่มันไม่เกิดผลอะไรหรอกฟังแล้วให้เอาไปปฏิบัติมันถึงจะเกิดผลจะสาธุไม่สาธุไม่สำคัญสาคัญที่ว่าเอาไปปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติ ฟังแล้วสาธุแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลช่นสอนให้ไปรักษาศีลสาธุแล้วก็ไม่รักษาสาธุไปทำไมสาธุแปลว่าจะเอาไปรักษาจะเอาไปปฏิบัติถึงเรียกว่าสาธุดีแล้วคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วท่านสอนให้ข้าพเจ้ารักษาศีลดีแล้วข้าพเจ้าจะเอาไปปฏิบัติเอาไปรักษาศีลต่อเอาหมายของสาธุอยู่ตรงนั้นถ้าสาธุแต่ปากแต่แต่ แต่ใจไม่เอาไปปฏิบัติก็สาธุไปเสียเวลาเปล่าๆคาถามจากคุณสีเมืองค่ะเวลาจิตนิ่งนานแล้วแต่ไม่เกิดปิติควรทําอย่างไรครับก็<ะ>ไม่ต้องอะอะจะไปต่อหรือออกมาเดินครับอ๋อถ้านั่งได้ต่อก็นั่งไปพุทโธต่อไปดูลมต่อไปไม่ต้องสนใจปิติไม่ไม่ปิตินี้บางทีบาง ม, มีบางทีไม่มี เรานั่งไม่ได้นั่งเพื่อปิติเรานั่งเพื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เป็นความสุขอย่างยิ่ง น, น, นี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุทโธไปภาวนาไปคำถามใจคุณสุเมศค่ะการที่เราตั้งความมุ่งหวังพานิพันธ์ไว้ในใจอยากจะเข้าถึงคานิพันธ์ในชาตินี้ถือเป็นกิเลสไหมครับ ไม่เป็นหรอกเพราะเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความอยากที่จะพาเราไปเจอความสุขปลอมถึงไม่ดีกานอยากไปเที่ยวนี้เป็นความอยากที่จะพาเราไปให้ไปพบกับความสุขปลอมสุขปลอมเป็นยังไงคือมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอเวลาหมดไปความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเท่าเท่ากับการไปหา ไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขแต่พระนิพพานนี้มันจะไม่มีความทุกข์ตามมามันจะสงบมันจะสุขไปตลอดเวลาการมีความปรารถนาจะไปพระนิพพานนี้เป็นความปรารถนาดีไม่เป็นกิเลสคำถามจากคุณสุทาพัฒค่ะการเจริญเมตตาทำอย่างไรบ้างครับก็มีเงินก็ออกมาแบ่งกัน เ, ออเวลาเจอใครก็ยิ้มให้กัน ถามสารทุกข์สุขดิบดกันสบายดีหรือจ๊ ะ, ะยิ้มแย้มทักทายกันมีขนมมีนมมีอะไรก็มาแบ่งกันเวลาเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขานี่คือการการแผ่มเมตตาคำถามจากคุณวิพาดาค่ะจะดับความโกรธเมื่อสิ่งแวดล้อมยุโยงให้ใจโกรธจะควบคุมอารมณ์วิธีไหนได้บ้างคะ วิธีแรกก็ใช้พุโทโธพุธโทโธเวลาโกรความโกรธก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่กำลังทำให้เราโกรธพอเราลืมเรื่องสิ่งที่ทำให้เราโกรธใจเราก็จะหายโกรธวิธีที่สองก็คือความโกรธเกิดจากความอยากของเราเองเราอยากให้ก็ททำอะไรแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธ เราก็อย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วเราจะไม่โกรธอย่าไปอยากให้เขาทำนู่นทงนี่ให้กับเราอยากจะไปอยากไปอยากได้ของจากเขาถ้าเราไม่อยากได้เลยจากเขาแล้วเราจะไม่โกรธเขาหราคำถามจากคุณสุธาพัฒนค่ะการทำบุญบ้านจำเป็นไหมครับอ๋อไม่จำเป็นอ่ะการทำบุญจำเป็นแต่การทำบุญที่บ้านไม่จำเป็นอ่ะทำได้ทุกแห่ง การทําบุญเพื่อบ้านนี่ไม่จําเป็นนะบ้านมันไม่มิมันไม่ได้บุญผู้ที่ได้บุญคือคนคือคนที่ทำํำการทําบุญเพื่อให้บ้านไม่มีไม่มีภัยอันตรานี้ไม่ไม่เกิดผลทําบุญแล้วบ้านอาจจะพังก็ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญการทําบุญนี่เพื่อทําให้คนใจของคนที่อยู่บ้านนั้นสบายใจมีความสุขใจนั่นเองคําถามหมดะคะ่ะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวมีอะไรไหมมีอะไรอยากจะถามไหมใครอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาถวายได้อยากจะได้หนังสือซีดีก็ขึ้นมาย่านอนะ่อยู่บ้านก็เรียมสิ้นแต่ทุกวันพระก็ค่อยๆเพิ่มแดีวก็จะยพยายามทุกวันย้งนิ่เพิ่มได้วังทีพอมันทําไปแล้ว มันนอนไม่หลับใจสั่นเลยก็มาชงนมทาเลยนิดหน่อยอะไรอย่างเงีเ<อ>้ยเลอแสดงว่า ส, ต, สติสติสู้สู้สู้กิเลสไม่ไหวแต่ถ้าวันพ้าดี่จะมไม่ได้อา่<ะ>เอาเจออ่าต้องคับงให้ได้ได้ถ้ามีสติถ้าเราตั้งใจก็ได้ไเรายอมสั่นปล่ยมันสั่นไปมันจะสั่นเข้าไมันสั่นไ ป, นไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองวางไว้ตรงถ้าต้องการห้องซือซีดีก็หยิบไปหยิบไปได้ถ้าอยากมาเล่นไป อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจริงใจถ้านั่งใจจริงใจก็ยอมตายก็ได้ถ้าไม่ยอมตายถ้าไม่ยอมทุกก็ไม่ได้มันจะทุกข์ก็มันทุกข์ไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายก็เราวันพลาดเรารักษาได้ทำไมวันอื่นทาไมจะรักษาไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราท่านเองใจเราไม่อยากไม่ยอมรักษามันก็เลยรักษาไม่ได้ท่านอาจารย์เคยสอนจาคำท่านได้บอกก็ทาทุกวันด้วยงนสิ จะได้ใช้ใจดูเรื่องตาบอกมันก็คืเพ่งมันพระกับวันหลังวันอื่นมันก็วันวันเหมือนกันอยู่ที่เราเท่านั้นเองพยายามเพิ่มแต่ก็ต้องยอมรับบางทีมันไม่ไหวก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้ายังไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆพอที่มันถูกทางแล้วเดี๋ยวมันก็ละทำได้เอง มานี่ก็เหมืนมาชาร์จแตเตอรี่กับรถตอนพิเกียนใช่มาชารแบตมบางที่อยู่ใกล้ข้าวของมงนทองมันก็ทําให้อดไปได้พอมาอยู่กลยอยากมันมันอยากก็ไม่มีอะไรให้มันกินมันก็มันก็ต้องอดไปเองมันอยู่นี่ต้องมือเดียวได้ของแบบนี้ได้สิ่งแวดล้อมมันก็มีส่วนอันก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้เราทําได้ถ้าอยู่ตรงที่เราทําไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนที่ มาแล้วมืนมีกำลังใจกับตัวเองมาอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็มีกำลังใจเราไปอยู่กับคนที่ไม่ปฏิบัติเหมือนเราเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็อะไรเราได้ยินได้เห็นก็เราก็ใจใจก็วู่นวาบแล้วเพราะกิเลสมันอยากความอยากมันโผล่ขึ้นมาแต่อยู่กับคนที่ปฏิบัติเหมือนกันก็ไม่มีอะไรกินเราก็ไม่มีอะไรกินก็เลยไม่รู้สึกอะไรมีคําถามก็มายังหรือเมื่อแล้วค่ะ คำถามจากคุณพี่ทักค่ะในการปฏิบัติขณะที่เราภาวนาพุทโธเราควรกําหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยไหมครับหรือกําหนดดูภายในใจโดยไม่ต้องดูที่ลมหายใจคะไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราไม่ได้นั่งนี้ไม่ควรดูลมหายใจเลยควรอยู่กับพุทโธกับอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่จะดีกว่าเรากําลังเดินก็พุทโธไปแล้วก็ดูว่าเรากําลังเดินไปชนอะไรหรือเปล่า ไม่ใช่ไปดูลมแล้วก็ปล่อยให้เดินไปชนนุ่นชนนี้ดูลมจะเหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเวลาอื่นควรจะดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เช่นเรากําลังขับรถเราต้องคอยดูถนนดูรถแล้วไม่ใช่ไปดูลมดูลมเดี๋ยวรถก็ชนกันะนะอย่างนั้นถ้ า, ถาจะจะดูลมต้องดูตอนที่นั่งเฉยๆแต่ถ้าพุโทโธนี้พุโทโธได้ทุกเวลา เวลาทำอะไรก็พุโทโธไดเออ้เวลานั่งก็พุโทโธได้คําถามจากคุณประเสริฐค่ะอยากทําบุญบ่อยๆเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นหรอกเพราะบุญเป็นเหมือนอยาไงเหมือน อ, อาหารครกินแล้วมันจะทําให้เราอิ่มอิ่มใจสุขใจไม่เป็นพิษเป็นภัยความอยากทําบุญนี้เป็นความอยากที่ดี คำถามจากคุณโอเวนค่ะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะทำอย่างไรให้สมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมคะก็ทำเท่าที่เราทำได้ความสมดุลแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีเวลาปฏิบัติมากก็ปฏิบัติได้มากบางคนมีเวลาน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยแล้วแต่ภาวะของแต่ละคนว่ามีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงไร แต่ถ้าถามว่าควรจะปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไร mm hmm. ก็บอกว่าต้องปฏิบัติให้มากมากกว่าการกระทำอย่างอื่นแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนคำถามจากคุณรุงค่ะคำว่าโสดาบานันความหมายคืออะไรครับผู้เข้าสู่กระแสรพระนิพพานโสดา้ามาจากคำภาษาบาลีว่าโสตะโสตะแปลว่ากระแส โสดาบันก็คือแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสรกระแสก็คือกระแสพานิพพานนี่เองคำถามเจ้าคุณทีโกนค่ะฟังธรรมจากพระอาจารย์บววระดับสามไปสู่ระดับสองใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะไม่แน่แต่ละคนบางทีฟังขนเดียวก็อาจจะไปจากระดับสามไประดับสองเลยก็ได้ฟังแล้วศรัทธาก็เลยตัดสินใจไปบวช คอยบวชไปฝึกนั่งสมาธิได้ถ้ามีสติดีบวชไม่กี่วันก็อาจจะได้สมาธิพอพิจารณาปัญญาพิจารณาไตรักพิจารณาอริยสัจสีได้ก็บรรลุได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยมีมีความเพียรมีมากมีน้อยต่างกันถ้ามีความเพียรมากมีสติปัญญามากก็สามารถที่จะไปได้เร็วเนีย่ยบางคนพระเจ้าบอกว่าเจวันก็ได้ บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีคําถามจากคุณพรศักดิ์ค่ะถ้ามีคนขอเงินเราไปซื้อเหล้ากินเราจะได้บุญหรือได้บาปคะก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งไ ด, ได้ทั้งบุญและได้การส่งเสริมให้เขาทาบาปเราไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าเราไปส่งเสริมให้เขาทาบาปทําทําร้ายตัวเขาเอง เราไม่ควรที่จะส่งเสริมเหมือนกับเอามีดให้ให้มีดเขาไปฆ่าตัวตายนเราไม่ควรให้ถ้าเขามาขอมีดเพราะเขอยากจะฆ่าตัวตายเราจะให้มีดเข้าไปหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ไม่ให้เขาไปเหมือนกันถ้าเขาขอเงินไปซื้อสลราไปเล่นการพนันไปเที่ยวอันนี้ก็เหมือนกับเอาเอาเงินไปทําร้ายตัวเขาเองเราก็ไม่ควรให้เขาไปคำถามจากคุณแบมค่ะลูกภาวนาพุโทโธพุธโทโธ นั่งสมาธิแล้วเกิดลมหมุนช่วงท้องขึ้นมาด้านบนแล้วจะมีอาการเวียนหัวเป็นเพราะอะไรคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคาถามจากคุณรัชดาพรค่ะถ้าเราถือศีลไม่ครบห้าข้อเราจะได้บุญไหมคะก็ได้ไม่ครบห้าข้อเลยเหมือนกับทํางานถ้าเราทําไม่ครบที่เขากาหนดไว้เขาก็ไม่ให้เงินเดือนเราเต็มที่ ้าเราทำงานสามสิบยี่สิบวันไม่ได้ทำสามสิบวันเขาก็หากออกไปสิบวันเขาว่าจ่ายแค่ยี่สิบวันการรักษาศีลได้สี่ข้อเราก็ได้บุญแค่สี่ข้อรักษาศีลได้สามข้อก็ได้บุญแค่สามข้อคำถามจากคุณชานาลงข้อที่หนึ่งค่ะกระทาผิดสังฆาทิเศษเหตุคือคุยแชทเฟซบุ๊กกับสตรีเพศเราผิดวินัยพะ แล้วเราจะถูกตัดนิพพานมากคผลหรือเปล่าครับถ้าทำอย่างนี้มันก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะมันมัวมวแต่คุยกับเรื่องคุยกับสีกามันจะไปมันก็ไม่มีเวลาไปภาวนามันก็ไปไม่ได้ก็ถึงห้ามไม่ให้ไปเสียเวลากับการไปคุยกับสีกาให้ไปภาวนาให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงจะไปนิพพานได้ข้อที่สองค่ะ ศึกออกมาแล้วทำการงานใดๆก็จะไม่รุ้ร่วงเพราะมีการติดตัวจริงไหมครับเพอมีความไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาจริงเอาจังมากกว่าทำอะไรก็ไม่ทุ่มเทเอาจริงเอาจังทำแล้วก็ล้มเหลวทำแล้วพอเจอความยากลำบากก็ถอยอมันก็จะไม่มีวันพบกับความสำเร็จได้คำถามจากคุณชุติมาค่ะถ้าลูกชายบวชให้พ่อแม่ เขาจะได้บุญอย่างไรและพ่อแม่จะได้อะไรคะเขาก็ได้ศีลเนี่ยได้บุญจากการรักษาศีลได้บุญจากการนั่งสมาธิได้บุญจากการได้ปัญญาพ่อแม่ก็จะได้อานิสงส์เกาะชายผ้าเหลืองของลูกเพราะเวลาลูกมาบวชพ่อแม่ก็เลยต้องมาวัดเพราะคิดถึงลูกห่วงลูกถ้าลูกไม่ได้บวชพ่อแม่ก็ไม่ได้มาวัดเพราะพ่อแม่มัวแต่ไปทามาหากินทาธุระอะไรต่างๆ เพาลูกไม่ได้อยู่วัดก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมาวัดแต่พอพระมาบวชพอลูกมาบวชเป็นพระก็เลยห่วงลูกว่ามีพอกินหรือเปล่าก็เลยต้องมาทําบุญเอาข้าวมาถวายพระจะถวายลูกคนเดียวมันก็หน้าเกลียดก็ต้องถวายกับพระรูกอื่นด้วยก็เลยได้ทําบุญทําทานแล้วถ้าพระเขาแสดงธรรมก็จะได้ฟังธรรมก็จะได้บุญจากการที่ลูกมาบวชจะได้เข้าวัดได้มาทําบุญได้มาฟังธรรม คำถามจากคุณจินดาค่ะนั่งสมาธิไปสักพักเกิดเวทนาเจ็บเหน็บตึงกดทับที่ขาทั้งสองข้างพยายามอุเบกขาดูลมสลับดูความเจ็บปวดนานจนกระทั่งจู่ๆก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดกดทับทั้งหลายไหลออกไปจากขายอย่างรวดเร็วจะเกิดหลังนั่งสมาธิ ไ, ไปได้เกือบครบสองชั่วโมงเป็นสภาวะรมหรืออะไรหรือเปล่าคะและควรทาอย่างไรต่อไปคะ ก็เป็นอนิจจงเนี่ยเวทนามันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเราอย่าไปอยากให้มันดับเวลามันเกิดก็จะทําให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ไปอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์เราก็อยู่กับมันไปมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันตั้งอยู่ก็รู้ว่ามันตั้งอยู่มันดับก็รู้ว่ามันดับไปเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีความอยากเกี่ยวกับมันแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างมีความสุข คำถามจากคุณครูสันค่ะผู้ที่เกิดมาเป็นแพทย์มีหน้าตาดีเขาสร้างบุญด้วยวิธีใดครับคนที่มีหน้าตาดีเพราะชาติก่อนทําบุญทําบุญรักษาศีลตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาพอเขากลับมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์เขาก็มีบารมีมีบุญบารมีตามมาทําให้เขารูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาแหลมคม มีฐานะการเงินการทองที่ดีมีอาการครบสามสิบสองมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันนี้คืออา น, นิสงส์ที่เกิดจากการทาบุญรักษาศีลหรือภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมนี่อา น, นิสงส์การกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดมาดีมีมีวาสนามีบารมีคำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะ ในการปฏิบัติหากรู้สึกว่าจิตรู้สึกว่างแล้วเราควรที่ปจากปฏิบัติยังไงในขั้นต่อไปครับหรือหรือควรที่จะพิจารณาอะไรในขั้นต่อไปครับควรจะรักษาความว่างไว้อย่าให้ใจวุ่นวายให้ว่างให้เยน็นให้สบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเดิยนยืนนั่งนอนถ้ามันไม่ว่างมันจะวุ่นวายก็ขาใช้ปัญญาพิจารณาให้มันว่างถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุโทโธ ให้มันกลับไปว่างต่อไปเราต้องการความว่างเพราะความว่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อคืนดิฉันไปงานศพได้ลองพิจารณาดูว่า้าร่างที่อยู่ในโลงเป็นสามีเราจะรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกเศร้าสลดใจในความสลดใจเห็นว่าทุกที่เกิดขึ้นเกิดจากความที่ไม่อยากต้องรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเมื่อมีใครจากไป เป็นความรู้สึกที่ยึดในตัวเองอยู่แบบนี้ควรพิจรารณาอย่างไรดีคะก็ต้องพิจารณาว่าต้องเจอแน่ๆเพราะว่าต่อให้สามีเรามันไม่มีวันที่จะมีอายุยืนยาวนานไปแม้แบบไม่ตายได้เขาจะต้องมีวันตายสักวันหนึ่งอยงนั้นหัดเตรียมตัวเตรียมใจหาหาวิธีอยู่แบบไม่ไม่ต้องมีเขาดีกว่าก็มาหัดทําใจให้สงบมาฝึกนั่งสมาธิกัน แล้วต่อไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่แบบไม่เหงาได้คำถามจากคุณหนุ่มค่ะหากพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วลูกบวชพ่อแม่จะได้อา น, นิสงส์หรือไม่ครับไม่ได้เราไม่ได้เพพ่อแม่ตายไปแล้วนอกจากว่าถ้าลูกบรรลุธรรมแล้วไปสอนพ่อแม่ติดต่อกับพ่อแม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ พอพระพุทธเจาบวชแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านก็ติดต่อกับแม่พอติดต่อได้ก็สอนแม่ให้เป็นพระสุวรรณวได้แต่ถ้าบวชแล้วยังไม่บรรลุธรรมก็ไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้สองบรรลุธรรมแล้วถ้าไม่สามารถติดต่อกันได้ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้เขาบรรลุธรรมได้คำถามจากคุณกระหนกวันค่ะเคยได้ยินคําว่าทํางานเป็นกรรมฐานหมายถึงอะไรคะ ว่ากรรมฐานก็แปลว่างานไงกรรมกรรมก็แปลว่างานการกระทากรรมฐานก็คือที่ตั้งของงานที่ตั้งของงานนี้ต่างกับงานที่เราทำกันทั่วไปงานที่เราทำนี้เป็นงานหาปากหาเงินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่งานของกรรมฐานนี่เพื่อเลื่อภพชาติเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิด น, นฐานที่ตั้งของงานของ ของการลื้อภชาติจึงอยู่ที่อนาปนาสติอยู่ที่มอนานุสติอยู่ที่อสุภะนี่คืองานของผู้ที่ต้องการที่จะรื้อพรืชาติคือให้มันศึกษาให้พิจารณาความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้จะทำให้เรารื้อพรืชาติไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้ คำถามสุดท้ายค่ะค า, าถามจากคุณนิสากรค่ะถ้าเราทำสังฆทานกับพระที่บิณฑบาตตอนเช้าได้ไหมคะได้ทำตอนไหนก็ได้ถ้าท่านรับได้ก็ทำไปการใส่บาตรนี้บางทีก็เป็นสังฆทานบางวันนี่อาหารที่พระบิณฑบาตมาได้นี่เขาจะแบ่งกันไม่เก็บไว้เป็นของใครของมันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานนะวพระวัดป่านี่ท่านจะไม่เก็บอาหารเป็นของตนเอง อาหที่ได้มานี้จะเอามารวมกันแล้วเอามาแบ่งกันโดยที่จะไปถวายครูบาอาจารย์ก่อนให้ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาก่อนแล้วก็เอามาแบ่งกันให้มีเท่าๆกันให้มพีพอเพียงต่อกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆทานถ้าใส่บาตรกับพร้ป่านี้ก็ถือว่าได้ทําสังฆทานแล้วไม่ต้องมีกระแป้งสีเหลืองไม่ต้องมานั่งกล่าวตั้งนโมสามจบไม่ต้องทําเพราะนั้นเป็นเพียงพิธีนั่นเอง รูปแบบที่แท้จริงของที่ถวายนี้ต้องเอาไปแบ่งกันที่เรียกว่าสังฆทานถ้าถวายผ้าและผ้าเอาไปเก็บไว้กุติคนเดียวนี้ไม่ใช่เป็นสังฆทานอันนี้เรียกวบุคคลิกทานเป็นเฉพาะบุคคลไปมีคําถามยังจะถามอีกไหมใกล้จะหมดเวลาลนะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะพิจรารณาลงศพหมายถึงเราเห็นว่าเราไม่ได้รักอะไร นอกจากความรู้สึกของเราเองจะพิจารณาอย่างไรจึงจะรักความยึดในเวทนาของเราได้คะมันคนละเรื่องกันพิจารณาลงศพกับเวทนามมันคนละเรื่องกันการพิจารณาลงศพเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องตายลงศพเป็นเหมือนบ้านของเราบ้านในอนาคตของเราก็คือลงศพนี่แหละพอเราไม่หายใจแล้วก็ร่างกายร่าางกยเราไปไว้ที่ไหนเขาก็ไปไว้ที่ลงศพ อย่การพิจารณาลงโศกก็เพื่อเตือนใจให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องไปอยู่บ้านนี้นะเราจะต้องตายส่วนเวทนานี้เราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะสุขเวทนาก็สุขเวทนาไปมันจะทุกเวทนาก็ทุกเวทนาไปเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราบังคับใจเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับมันได้คือยอมรับมันอยู่กับมันไป ก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันมาแล้วใจเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุว่นวายใจเราจะสุขจะอยู่กับมันได้อย่างสบายก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน